จเจริญพรท่านผู้มีจิตศรัทธามีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาทุกทุกท่านวันนี้เป็นวันเสาร์ที่25ห้ากรกฎาคมพุทธศัก ร, ร, ราชสองพันห้าร้อยห้าสิบแดเป็นวันที่ท่านทั้งหลายได้ตั้งใจมาวัดเพื่อมา ท, ทําบุญ พ่อมีศรัทธาความเชื่อในคำสอนของพระพุทธเจ้าที่เชื่อว่าบุญนีและเป็นเหตุที่จะนำมาสึ่งความสุขที่แท้จริงที่ถาวรละบุญนีและเป็นเหตุที่จะดับความทุกข์ความไม่สบายใจต่างๆให้หมดไปได้อย่างถาวร ไม่มีอะไรในโลกนี้ที่จะสามารถดับความทุกข์ใจ ต, ต่างๆให้หมดไปได้อย่างถาวรไม่มีอะไรในโลกนี้ที่จะให้ความสุขกับเราไปได้อย่างถาวรทั้งในขณะที่เรามีชีวิตอยู่และขณะที่เราตายไปถ้าเรามีบุญเราจะมีความสุข ยัไม่มีความทุกข์ความไม่สบายใจขณะที่มีชีวิตอยู่และขณะที่ตายไปเราก็เอาบุญติดตัวไปได้เอาไปให้ความสุขไปดับความทุกข์ของใจต่อไปได้พระพุท <Yeah. S 1> ธเจ้าจึงทรงสอนวิธีทำบุญอยู่สิบวิธีด้วยกันแต่ไม่หมายความว่าเราจะต้องทำ ท, ำทั้งสิบวิธี คือบนนี้ก็เป็นเหมือนอาหารอาหารนี่ก็มีแบ่งเป็นสองอย่างสองประเภทอาหารหลักกับอาหารเสริมอาหารหลักนี่เราต้องรับประทานเป็นประจำเช่นข้าวกับข้าวกับปลาอะไรของที่จําเป็นต่อการดูแลร่างกายส่วนอาหารเสริมนี้เป็นอาหารที่มาเสริมกําลังเสริมอายุ เสริมสุขภาพให้แก่ร่างกายจะมีบ้างก็ได้ไม่มีก็ได้เพราะร่างกายไม่ตายถ้าขาดอาหารเสริมแต่ถ้าร่างกายขาดอาหารหลักร่างกายก็ตายได้ชั้นใดบุญก็มีแบ่งเป็นสองกลุ่มกลุ่มแรกเรียกว่าบุญบุญหลักที่เราต้องทำกันอย่างสม่ำเสมอ และกลุ่มที่สองเรียกว่าบุญเสริมที่เราทำได้ทำบ้างก็ได้ไม่ทำบ้านก็ได้ขึ้นอยู่กับโอกาสขึ้นอยู่กับเหตุการณ์บุญที่เป็นบุญหลักมีอะไรบ้างก็คือ 1. ทานการให้สศีลการไม่ทำบาป 3. การภาวนาการทำใจให้สงบ ทำใจให้สงบแล้วก็จะมีความสุขไม่มีความทุกข์การฟังเทศฟังธรรมอันนี้จำเป็นว่าถ้าเราไม่ฟังเทศฟังธรรมไม่ศึกษาพราะธรรมคำสอนของพบอเจ้าเราจะไม่รู้จักว่าบุญคืออะไรนั่นเองและ 4. เราต้องมีความเห็นที่ถูกต้องห ความเห็นที่ถูกต้องก็คือเห็นว่าคำสอนของพระพุทธเจา้าเป็นคำสอนที่จะพาให้เราได้ไปพบกับความสุขที่แท้จริงได้ดับความทุกข์ได้อย่างถาวร น, นี่คือบุญหลักที่เราควรที่จะทากันอยู่เรื่อยๆทำทานกันเป็นประจำควรฝึกหัดทำทุกวันภาพเป็นเหมือนกับการรับประทานอาหาร ชาวบ้านที่เขามีพระบิณฑบาตเขาจะได้ทำบุญทุกวันเพราะเขาจะได้ใส่บาตรจังทุกวันถ้าเราไม่มีพระเราก็สามารถทำบุญทุกวันได้ด้วยการเอาเงินใส่บาตรใส่กระปุกเอาไว้ทุกวันวันละเล็กวันละน้อยตามกํากลังของเราเราอยากจะทำบุญมากทำบุญน้อยวันนั้นเราก็เอาเงินใส่กระปุกไว้แยกเอาไว้ และต้องทําความเข้าใจว่าเงินนี้เป็นไม่ใช่เป็นของเราแล้วเป็นเงินที่เราสละเพื่อการทําบุญแล้วแล้วพอเ ว, เวลาที่เรามีเวลาว่างมาวัดเราก็เอาเงินที่ใส่กระปุกนี้มาทําบุญถวายวัดไปหรือว่าถ้ามีญาติพี่น้องเพื่อนสนิทมิสหายมีงานบุญ มีงานทอดผ้าป่างานทอดกระถินงานบวชหรืองานอะไรเราก็สามารถเอาเงินที่เราเก็บเอาไว้สำหรับทำบุญนี้เอาไปทำได้เลยถ้าเราไม่ทาอย่างนี้บางทีเวลาถึงเวลาจะทำบุญเราจะไม่มีสตางค์เพราะว่าเราจะเอาเงินไปซื้อข้าวซื้อของไปกินไปดื่ม ไปเล่นไปเที่ยวกันจนหมดพอถึงเวลาทำบุญก็เลยไม่ได้ทำบุญไม่ได้ทำบุญไม่ได้ทำทานก็เหมือนกับไม่ได้รับประธานอาหารนี่ใจของเราก็จะหิวจะโหยจะอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้อยู่เรื่อยๆได้มาเท่าไหร่ก็ไม่อิ่มไม่พอเพราะการซื้อของต่างๆนั้นไม่ได้เป็นการให้ความ อิ่มไม่ได้ให้อาหารกับใจการให้อาหารกับใจนี้ต้องทําทานต้องสละเงินทองที่เราไม่อยู่ที่เราไม่ต้องอาศัยไม่ต้องเก็บไว้ใช้อันนี้เราก็เอาไปทำบุญทาทานล้วใจของเราจะมีความสุขมีความอิ่มมีความพอจะไม่ค่อยหิวไม่ค่อยโลภไม่ค่อยอยากได้อะไรต่างๆ ถ้าจะซื้ออะไรก็มักจะซื้อด้วยเหตุด้วยผลซื้อด้วยความจำเป็นถ้าไม่จำเป็นก็จะไม่ซื้อเพราะใจไม่หิวนั่นเองเพราะใจได้อาหารใจรับประทานอยู่ทุกวันคือได้ทำทานอยู่ทุกวันนี่เป็นสิ่งที่เราควรจะให้ความสำคัญอย่าทำแต่เฉพาะวันสำคัญสำคัญเช่นวันเกิด วันตายวันแต่งงานวันขึ้นปีใหม่หรือวันอะไรสำคัญทางพระพุทธศาสนาถ้าเราทำเพียงเฉพาะวันเหล่านั้นใจของเราจะไม่มีอาหารรับประทานพอเพียงจะเป็นคนอดอยากขาดแคลนหิวอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้มีความโลภโมโฑสันถ้าเราทำบุญอยู่เรื่อยๆเป็นประจำเหมือนคนที่ได้รับประทานอาหาร ร่างกายจะมีความสุขมีความอิ่มจะไม่สู้ผอมไม่มีโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนย น, นี่คือทานบุญที่เป็นบุญหลักที่เราต้องทำกันอย่างสม่ำเสมอข้อที่สองบุญที่เป็นบุญหลักก็คือการไม่ทำบาปเราต้องรักษาศีลห้ากันให้ได้ละเว้นการกระทาบาปห้าประการ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 จะพาให้เราไปทําบาปพาให้เราไปประพฤติผิดประเวณีพาให้เราพูดปดพาให้เราลักทรัพย์และพาให้เราฆ่าสัตว์ตัดชีวิตได้นี่เป็นบุญดับบุญนี้จะดับความทุกข์ความวุ่นวายใจต่างๆของเราได้อย่างอย่างหมดสิน้นการกระทําที่เกิดจากการทําบาป นี้จะส่งให้เรามีความวุ่นวายใจไม่สบายใจเวลาเราลักทรัพย์นีใจเราจะไม่สบายเวลาเราฆ่าสัตว์ใจจะไม่สบายเวลาเราประพฤติผิดประเวณีเราจะไม่สบายใจเวลาเราโกหกหลอกลวงใครเราจะไม่สบายใจถ้าเราไม่ได้กระทำบาปใจของเราจะสบาย อย่างตอนนี้ญาติโยมมาทำบุญไม่ได้ทำบาปใจจะเย็นจะสบายไม่มีความวิตกกังวลเดือดร้อนนี่เป็นอนิสงส์ของการรักษาศีลไม่ทำบาปและเวลาตายไปก็ไม่ต้องไปเกิดในอบายศีลนี้เป็นผู้ที่จะปิดประตูอบายให้กับเราตายไปเราจะไปสู่สุคติ ไปเกิดเป็นเทวดาหรือกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่นี่คือบุญข้อที่สองที่เราควรที่จะทำกันให้ติดเป็นนิสยัยให้รักษาศีลเป็นนิจศีลคือรักษาทุกวันทุกเวลายกเว้นเวลาหลับเวลาตื่นขึ้นมานี่ต้องมีสติเตือนใจอยู่เรื่อยๆว่าเรากำลังรักษาศีลห้าอยู่เราจะไม่ ทำบาปโดยเด็ดขาดถ้าเรานึกอย่างนี้อยู่เรื่อยๆต่อไปเราก็จะรักษาศีลห้าได้อย่างสบายอย่างง่ายได้จะยากก็ตอนใหม่ๆตอนที่เราไม่เคยเวลาเราไม่เคยนี่พอจะทำอะไรมันจะรู้สึกยากไปหมดถ้าเราเคยโกหกพอเราต้องพูดความจริงนี่เรารู้สึกว่ายากถ้าเราเคยรักเล็กขโมยน้อย พอเราต้องหยุดที่เราจะรู้สึกว่ายากแต่มันไม่ใช่เป็นสิ่งที่สุดวิสัยหัดทำไปทีละเล็กทีน้อยทำไปเรื่อยๆต่อไปมันก็จะง่ายไปนี่คือบุญสำคัญที่เราต้องทำกันทุกวันบุญข้อที่สามที่เป็นบุญที่สามขันที่เราต้องทำกันทุกวันก็คือการภาวนา การภาวนานี้คือการทําใจให้สงบทําใจให้ฉลาดมีสองขั้นตอนขั้นตอนแรกทําใจให้สงบเรียกว่าสมถะภาวนาหรือสมาธิถ้าทําใจให้สงบใจจะพบกับความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งหลายที่มีอยู่ในโลกนี้จะทําให้เรานี่ไม่ยินดียินร้ายกับสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ จะมีเงินหรือไม่มีเงินก็จะไม่เดือดร้อนจะมีแฟนหรือไม่ม <herman> ีแฟนจะไม่เดือดร้อนจะมีคนชมหรือมีคนด่าจะไม่เดือดร้อนเพราะเรามีความสุขภายในใจของเราเราไม่ต้องอาศัยคนอื่นมาให้ความสุขกับเราตอนนี้เรายังอาศัยคนอื่นมาให้ความสุขกับเราอาศัยคนอื่นให้มาชมเรามาพูดดีๆกับเรา อาศัยคนอื่นให้มาทำอะไรต่างๆให้กับเราอาศัยสิ่งต่างๆมาให้ความสุขกับเราเพราะใจของเราไม่มีความสุขภายในใจนั่นเองแต่ถ้าเราทำใจของเราให้สงบได้แล้วเราจะมีความสุขมากเป็นความสุขที่ยิ่งใหญ่กว่าความสุขต่างๆที่เรามีอยู่แล้วเราจะไม่อยากได้อะไรและความทุกข์ต่างๆก็จะไม่สามารถ เข้ามาทำลายความสุขอันนี้ได้ความทุกข์ที่เกิดจากการเจ็บไข้ได้ป่วยนี้จะไม่มีกำลังที่จะมาสร้างความทุกข์ให้แก่ใจได้ใจจะสุขท่ามกลางความทุกข์ของร่างกายถ้าเป็นน้ำแข็งก็เหมือนก้อนน้ำแข็งที่ตั้งอยู่ในกองไฟไฟจะร้อนอย่างไรน้ำแข็งมันก็ยังเย็นอยู่อย่นั้นใจที่มีความสงบจะเป็นอย่างนั้น จะไม่เดือดร้อนกับความทุกข์ความเดือดร้อนต่างๆความอดอยากขาดแคลนหรืออะไรต่างๆจะไม่สามารถเอาความทุกข์เข้ามาสู่ใจที่มีความสงบนี้ได้เนละนี่คือสมถะภาวนาวิธีจะทําให้เกิดความสงบก็ต้องใช้สติสตินี้ก็มีหลายวิธีหลายชนิดด้วยกันเช่นการบริกรรมพุทโธพุทโธนี้ก็เป็นวิธีหนึ่ง ถ้าเราบริกรรมพุโทโธไปเรื่อยๆใจของเราก็จะหยุดคิดปรุงแต่งพอหยุดคิดปรุงแต่งใจก็จะสงบเย็นสบายมีความสุขแต่ถ้าเราปล่อยให้ใจคิดใจก็จะคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้แล้วก็เกิดความไม่สบายออกไม่สบายใจต่างๆขึ้นมาไม่เชื่อลองพิสูจน์ดูเวลาที่เรามีความไม่สบายใจลองบริกรรมพุโทโธไปเรื่อย อย่าไปคิดถึงสิ่งที่ทำให้เราไม่สบายใจพุโทโธไปเรื่อยๆอย่าหยุดแล้วเดี๋ยวความทุกข์ใจที่มีอยู่ภายในใจก็จะหายไปเราจะเห็นเลยว่าความทุกข์ใจของเรานี้เกิดจากความคิดปรุงแต่งของเรานั่นเองโดยเฉพาะความคิดที่คิดไปทางไปทางความอยากอยากให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้อยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้ พอคิดแบบนี้แล้วใจจะวุ่นขึ้นมาทันทีถ้าเราหยุดมันไม่ไปคิดมันได้ให้คิดแต่พุโทโธพุโทโธไปเดี๋ยวความวุ่นวายใจต่างๆก็จะหายไปนี่คือวิธีสร้างความสุขที่แท้จริงที่ถาวรให้กับใจด้วยการทำใจให้สงบพอเราได้ความสงบเลี้แล้วท่านต่อไปเราก็ต้องรักษาความสงบนี้ เพราะเราจะไม่สามารถนั่งสมาธิได้ทั้งวันเวลาออกจากสมาธิมาความสงบนี้จะหายไปถ้าเราไม่ควบคุมความคิดเราต้องควบคุมความคิดที่จะคิดไปในทางความอยากถ้าคิดไปในทางความอยากแล้วความสงบความสุขจะหายไปแล้วความทุกข์ความวุ่นวายใจก็จะโผล่ขึ้นมาวิธีที่คิดที่จะทําให้เรา ไม่มีความอยากก็คือต้องคิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้มันเป็นทุกข์มันไม่ใช่เป็นสุขมันเป็นสุขก็สุขปลอมสุขเดียวเดียวสุขแล้วเดี๋ยวก็ต้องทุกข์เพราะว่าสิ่งที่เราได้มาไม่ช้าก็เร็วก็ต้องหมดไปต้องจากเราไปเวลาได้มาเราก็ดีใจมีความสุขแต่พอสิ่งที่เราได้มาจากเราไปเราก็จะทุกข์ เช่นร่างกายนี้เวลาเราได้มาเวลาเราเกิดนี้เราดีใจกันทุกคนเลี้ยงฉลองวันเกิดกันเป็นประจำแต่ร่างกายมันก็ต้องมีวันเสือ่อมต่อไปมันก็ต้องแก่ลงไปเรื่อยๆแก่แล้วก็ต้องเจ็บไข้ได้ป่วยมีโรคภัยต่างๆแล้วถ้ารักษาไม่ได้ก็ต้องตายไปนี่คือความทุกข์ที่จะตามมาจากการเกิด เช่นเดียวกับสิ่งต่างๆที่เราได้มาสักวันหนึ่งเราก็ต้องจากเขาไปหรือไม่เช่นนั้นเขาก็ต้องจากเราไปถ้าเราคิดอย่างนี้เราก็จะไม่อยากได้อะไรเมื่อเราไม่อยากได้อะไรความสุขที่ได้จากความสงบก็จะอยู่กับเราไปเรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุดนี่คือเรียกว่าการภาวนาขั้นแรกเรียกว่าสมถภ า, าวนา คือทําใจให้สงบให้เป็นสมาธิขั้นที่สองก็รักษาความสงบนี้ด้วยปัญญาด้วยวิปัสสนาคือมองให้เห็นความจริงของทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ว่าเป็นทุกข์ไม่ใช่เป็นสุขทุกข์เพราะว่ามันไม่เที่ยงทุกข์เพราะว่ามันจะต้องมีวันสิ้นสุดมีวันหมดไปทุกข์เพราะว่าเราไม่สามารถที่จะเก็บเอาไว้เป็นสมบัติของเราได้นั่นเอง ถ้าเราคิดอย่างนี้แล้วเราจะไม่มีความอยากได้อะไรแล้วเมื่อเราไม่มีความอยากได้อะไรเราจะมีความสุขมีความสงบตลอดเวลานี่คือบุญสาคัญสามข้อแรกข้อที่สี่ก็คือการฟังเทศฟังธรรมถ้าเราไม่ฟังเทศฟังธรรมเราก็จะไม่รู้ว่าบุญคืออะไรไม่รู้วิธีทําบุญทําอย่างไร แต่ถ้าเราฟังเทศเราก็จะรู้แล้วเราก็จะได้ทำอยู่เรื่อยๆ เ, เราต้องฟังบ่อยๆเพราะถ้าวันไหนเราไม่ฟังเดี๋ยวเราลืมเริ่มทำบุญได้เดี๋ยวความโลภมันจะมาหลอกให้เราไปอยากได้สิ่งนั้นอยากมีสิ่งนี้แล้วเราก็จะไม่มีเวลามาทำบุญกันดังนั้นทุกวันควรจะฟังเทศกันทุกวันสมัยนี้เราไม่ต้องมาวัดมาฟังเทศเราอยู่บ้านเราก็ฟังเทศได้ มีหนังสือท ร, รมากมีแผ่นซีดีมีอินเทอร์เน็ตให้เข้าไปรับรู้ไปฟังได้ทุกวันทุกเวลาควรจะฟังเพราะจะทำให้เราเกิดบุญที่สำคัญอีกชนิดหนึ่งก็คือความเห็นที่ถูกต้องความเห็นว่าบุญนี่และเป็นทรัพย์ที่แท้จริงของพวกเราเป็นที่พึ่งที่แท้จริงของพวกเราที่เราสามารถพึ่งได้ทั้งปัจจุบันและอนาคต แต่ทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองนี้เป็นสิ่งที่เราเพิ่งได้เพียงชั่วคราวชั่วขณะที่มีชีวิตอยู่และก็ไม่สามารถที่จะมาดับความทุกข์ต่างๆที่เกิดขึ้นได้เวลาร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยก็ดับมันไม่ได้ความทุกข์ใจแต่ถ้ามีบุญนี้ดับมันได้นี่คือบุญห้าข้อที่เป็นบุญหลัก ที่เราควรที่จะกระทำกันอยู่ทุกๆวันแล้วเราจะมีแต่ความสุขจะไม่มีความทุกข์ใจไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตามไม่ว่าใครจะเป็นใครจะตายเราจะไม่เดือดร้อนไม่ว่าเราจะรวยหรือเราจะจนเราจะไม่เดือดร้อนเพราะใจของเรามีความสุขตลอดเวลาส่วนบุญอีกห้าข้อที่เรียกว่าเป็นบุญเสริม เราก็ทำไปตามโอกาสตามเหตุการ์เช่นการอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลถ้าเรามีคนตายไปเราเป็นห่วงเขากลัวเขาจะลำบากเราก็ทำบุญแล้วก็อุทิศบุญให้กับผู้ร่วมรับไปอันนี้ก็เรียกบุญที่เกิดจากการเกิดจากการอุทิศเราอุทิศไปแล้วเราก็ได้ความสุขได้ความสุขที่เราได้ทำความดีให้กับคนที่ตายไป ได้ส่งความสุขให้กับคนที่ตายไปบุญข้อต่อมาก็คือบุญที่เกิดจากการอนุโมทนาบุญเวลาใครก็ทําบุญเขาบอกบุญเราก็ร่วมบุญทํากับเขาไปบางทีเราไม่มีเวลามาทําบุญคนอื่นก็มาวัดเราก็ฝากบุญฝากให้เขามาทําบุญให้กับเราเราก็จะได้บุญเรียกว่าอนุโมทนาบุญ และบุญที่เกิดจากการรับใช้ช่วยเหลือผู้อื่นอันนี้ก็เป็นบุญเหมือนกันไม่มีเงินมีทองก็ทำบุญได้เห็นใครเดือดร้อนพอจะช่วยเหลือเขาได้เห็นใครก็มีงานมีการมากมายเช่นมาวัดเห็นคนเข้าล้างถ้วยล้างชามก็ช่วยกันล้างถ้วยล้างชามเข้าห้องน้ำเห็นมันสกปรกก็ช่วยกันทาความสะอาดอย่างนี้ก็เป็นบุญเหมือนกั น, เ ป, น, เ, น, กนเป็นเหมือนกับมาทำทาน ทำบุญทำทานเป็นทําให้เรามีความสุขใจเหมือนกันและบุญข้อต่อมาก็คือบุญที่เกิดจากการเป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตนทําตัวเป็นผู้เล็กผู้น้อยไม่อวดเบ่งอวดเก่งอวดดีอวดรู้อวดใหญ่อวดโตเพราะคนที่อวดเก่งอวดเบ่งอวดใหญ่อวดโตนี้จะไม่ค่อยมีใครอยากจะ คบค้าสมาคมด้วยแต่คนที่อ่อนน้อมถ่อมตนนี้ไปอยู่ที่ไหนกับใครก็มีแต่คนชื่นชมยินดีอยากจะคบค้าสมาคมด้วยนี่คือบุญที่ได้จากการทาเนื้อทาตนเราจะมีความสุขเวลาเราอยู่กับผู้อื่นเพราะจะไม่มีใครรังเกียจเราและข้อสุดท้ายก็คือบุญที่เกิดจากการให้ธรรมะแก่ผู้อื่น การให้ธรรมะก็มีสองวิธีให้ธรรมะจากธรรมะที่เรามีอยู่ภายในใจถ้าเราศึกษาธรรมะแล้วเราปฏิบัติธรรมะจนบรรลุธรรมมีดวงตาเห็นธรรมเราก็เอาธรรมะนี้สอนคนอื่นได้ถ้าเรายังไม่มีดวงตาเห็นธรรมเราเห็นหนังสือธรรมะที่มีคุณมีประโยชน์เราอ่านแล้วเราได้รับประโยชน์เราก็ ช่วยกันพิมพ์หนังสือธรรมะแจกจ่ายกันไปก็จะได้บุญที่เกิดจากการให้ทานธรรมทานการให้ทำนี่ท่านเรียกว่าเป็นการให้ที่สูงสุดเพราะไม่มีอะไรที่จะดับความทุกข์ใจได้นอกจากธรรมะให้เงินให้ทองก็ดับไม่ได้ให้ข้าวให้ของก็ดับไม่ได้ให้สามีให้ภรรยาไปก็ดับความทุกข์ใจไม่ได้ แต่ถ้าให้ธรรมะนี้ดับความทุกข์ใจได้นี่คือบุญที่เราที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้พวกเราสร้างกันขึ้นมาโดยแบ่งเป็นสองส่วนบุญที่บุญหลัก บ, บุญสำคัญที่ต้องทำเป็นประจำและบุญเสริมทำไปตามวาระตามโอกาสตามเหตุการณ์ถ้าเราทำแล้วรับรองได้ว่าเราจะมีความสุข เราจะไม่มีความทุกข์ความวุ่นวายใจทั้งในขณะที่เรามีชีวิตอยู่และหลังจากที่เราตายไปจึงขอฝากเรื่อง่องการมาสร้างบุญทั้งสิบประการนี้ให้ท่านได้นำเอาไปพินิพิจารณาและปฏิบัติเพื่อความสุขและความดับทุกข์ที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็พอสมควรแก่เวลา